เมื่อเป็นเช่นนี้ลองคิดดูว่าผลจะเป็นอย่างไรก็จะพากันประพฤติอกุศลทุจริตต่างๆอย่างไม่หยุดยั้งเพราะความโลภความปรารถนาเกินไปมากไปหรือที่เป็นบาปลามกเหล่านั้นชักนำจิตใจชักนำความประพฤติให้เป็นไปความทุกข์เดือดร้อนต่างๆก็เกิดตามมาจะไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะอนุภาพแห่งสันโดษที่ยังคุ้มครองจิตใจของคนดีอยู่ เมื่อเข้าใจความมุ่งหมายของสันโดษดังนี้ก็จะอธิบายสันโดษได้ถูกต้องและจะปฏิบัติไปด้วยกันได้กับความเพียรสร้างความเจริญก้าวหน้าต่างๆเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นอุปการะในทางอื่นเช่นในทางประหยัดเป็นต้นการอธิบายสันโดษในต่อมาคือในขั้นอัถกถา พระอาจารย์ได้อธิบายขยายความกว้างขวางออกไปทั้งสำหรับบรรพชิตและข้ารือหัดโดยยกเป็นหัวข้อคือยะถาลาภสันโดษยะถาภะสันโดษ ย, ยะถาสารูปสันโดษและอธิบายลําดับการปฏิบัติสันโดษตั้งต้นแต่สันโดษในความคิดและในการสแสวงหาในการรับในการบริโภคเป็นต้น ยะถาลาภสันโดษคือยินดีตามที่ได้เมื่อได้สิ่งใดก็ยินดีสิ่งนั้นและใช้สอยไม่ปรารถนาสิ่งอื่นที่เกินไปมากไปหรือในทางที่ผิดที่เรียกว่าปรารถนาเป็นบาปยถาภละสันโดษคือยินดีตามกําลังถ้าสิ่งที่ได้มาไม่เหมาะแก่กําลังของตนเช่น ไม่เหมาะแก่กำลังกายเพราะป่วยเป็นไข้จะบริโภคใช้สอยไม่สะดวกก็แลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนจะบริโภคใช้สอยได้หรือไม่เหมาะแก่กำลังประการอื่นก็แลกเปลี่ยนให้เหมาะแก่กำลังของตนมีอธิบายไว้ดังนี้และอาจอธิบายว่ายินดีตามกำลังของตนในเรื่องต่างๆก็ได้ ยะถาสารูประสันโดษยินดีตามสมควรถ้าได้มาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรแก่ตนเพราะเป็นของดีเกินไปก็สละให้แก่ผู้ที่สมควรสแสวงหามาใช้แต่ที่พอเหมาะพอควรหรือเพราะเป็นสิ่งของที่ตนไม่ควรจะใช้สอยด้วยเหตุว่าผิดวินัยสำหรับบรรพชิตหรือเกินฐานะสำหรับคนทั่วไปก็ไม่รับมาหรือสละไปเสีย สแสวงหาใช้สอยแต่ที่เหมาะที่ควรแก่ภาวะและฐานะเป็นต้นและข้อนี้ย่อมหมายถึงสแสวงหาแต่ที่พอเหมาะพอควรด้วยสันโดษในความคิดคือระงับความคิดที่ฟุ้งซ่านอยากได้โน้่นได้นี่เกินไปมากไปหรือที่อยากได้ในทางผิดดังกล่าวพอใจในการใช้ความคิดในทางที่ถูกที่ควร สันโดษในการสแสวงหาคือยินดีสแสวงหาแต่สิ่งที่ควรจะได้ที่จะพึงบริโภคใช้สอยได้ตามกำลังของตนและที่สมควรแก่ภาวะฐานะเป็นต้นและในทางที่ถูกที่ควรสันโดษในการรับคือรับแต่ที่ควรรับและรับพอประมาณไม่ใช่ว่าเมื่อจะได้หรือเมื่อมีผู้จะให้ก็รับทุกอย่าง เพราะสิ่งที่จะได้เป็นสิ่งที่มีโทษก็มีเป็นสิ่งที่อาจเป็นโทษเพราะรับเกินประมาณไปก็มีทั้งบุคคลที่จะให้อาจมีความปรารถนาในทางไม่ชอบก็มีเช่นให้เพื่อหวังผลตอบแทนที่ยิ่งกว่าเมื่อรับแล้วก็ต้องทำธุรกิจให้เขาในทางที่ผิดผู้ที่รักษาตนให้บริสุทธิ์จึงไม่ยอมรับอะไรของใครง่ายๆจะต้องพิจารณาว่าเขาให้ทาไม เพื่ออะไรถ้ารู้สึกว่าเป็นการให้ด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ยอมรับความยินดีรับแต่ที่ควรรับและแม้ที่ควรรับก็รับแต่พอประมาณยอมเป็นเหตุให้พ้นมนทินโทษเพราะการรับสันโดษในการบริโภค คือยินดีบริโภคใช้สอยสิ่งที่ได้มาด้วยการพิจารณาให้รู้ถึงประโยชน์ที่ต้องการอันสิ่งที่ได้มานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างและเมื่อเทียบกับคนอื่นๆแล้วก็จะต้องมียิ่งหย่อ n กว่ากันตามฐานะต่างๆเช่นฐานะแห่งทรัพย์ที่จะซื้อหาถ้าขาดสันโดษในข้อนี้ก็จะเกิดความปรารถนาอยาที่จะบริโภคใช้สอยแต่สิ่งที่ดีด เช่นอาหารที่ดีเครื่องนุ่งห่มที่สวยงามที่อยู่อาศัยที่ผาสุขและงดงามนอกจากนี้ยังต้องการเครื่องบำรุงความสุขสะดวกเครื่องประดับตกแต่งต่างต่า ง, างอีกไม่มีที่สิ้นสุดกล่าวได้ว่าความขาดสันโดษข้อนี้เป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ต้องเป็นผู้ซื้อมากกว่าจริงๆอยู่ทุกๆคนย่อมต้องการบริโภคใช้สอยสิ่งที่ดีดดและสวยงาม แต่ก็ต้องมีขอบเขตแห่งปริมาณเป็นต้นคือทุกคนย่อมมีขอบเขตแห่งการได้มามิใช่ว่าจะสามารถได้ตามที่อยากโดยปกติย่อมได้มาตามปริมาณแห่งรายได้มีรายได้น้อยก็ซื้อหามาได้น้อยมีรายได้มากก็อาจซื้อหามาได้มากแม้มีเงินแต่ไม่อาจจะซื้อหามาได้ก็มีอยู่ไม่น้อยและอาจบริโภคใช้สอยได้ตามปริมาณแห่งกาลัง เช่นบริโภคอาหารได้คราวละอิ่มถึงจะมีอาหารมากมายเท่าไรก็บริโภคให้เกินกว่าอิ่มหนึ่งในคราวหนึ่งไม่ได้บางคราวเป็นโรคอาจบริโภคไม่ได้เครื่องนุ่งห่มก็ใช้ได้คราวละชุดที่อยู่อาศัยถึงจะใหญ่โตเท่าไรก็อยู่จริงๆคราวหนึ่งกว้างยาวเท่าขนาดของตนเองกำลังแห่งการที่จะบริโภคใช้สอยได้จริงๆของแต่ละคนจึงมีอยู่ไม่มากนะัก และยังมีปริมาณแห่งความสมควรอีกประการหนึ่งยกตัวอย่างเครื่องบริโภคใช้สอยเช่นสิ่งนั้นสิ่งนี้สมควรแก่ตนหรือไม่จะต้องเป็นสิ่งที่ตนทำได้เองหรือใช้ของที่คนอื่นทำก็ได้คนเราบัดนี้ต้องใช้ของที่ผู้อื่นทำกันเป็นส่วนมากจำพวกที่ทำเองก็ทำเป็นบางอย่างเช่นชาวนาทำนาข้าว พวกทอผ้าก็ทาผ้าพวกช่างก่อสร้างก็ก่อสร้างบ้านเรือนพวกหมอก็ทายาพยาบาลไข้เจ็บและพวกอื่นก็มีอาชีพอย่างอื่นเมื่ออยู่รวมกันก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันใช้บ้างให้เป็นการส่งเคราะห์อนุเคราะห์บูชากันบ้างฉะนั้นจะจำกัดว่าจะต้องใช้เฉพาะสิ่งที่ตนเองทำเท่านั้นหาได้ไหม ถ้าถือเช่นนั้นไม่ได้ทำนาเองก็ไม่ต้องบริโภคข้าวกันเท่านั้นและจะถือประเทศถิ่นก็ไม่สะดวกอีกเพราะมีมากสิ่งที่อำนวยประโยชน์แต่ไม่มีในประเทศถิ่นของตนเกณฑ์ที่จะพึงตัดสินว่าสมควรกับตนหรือไม่จึงน่าพิจารณาในทางอื่นและทางที่จะพิจารณาในที่นี้ ก็ควรเป็นทางตามในที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือประโยชน์ที่จะพึงได้จากการบริโภคใช้สอยสิ่งนั้นๆดังเช่นที่ตรัสสอนให้พวกภิกษุพิจารณาในการบริโภคปัจจัยทั้งสี่ตามประเภทเช่นบริโภคจีวรก็เพื่อป้องกันหนาวร้อนเพื่อปกปิดส่วนที่พึงละอายเป็นต้นบริโภคบิณฑบาต ก็เพื่อดำรงกายนี้เพื่อที่จะทำความดีได้เป็นต้นรวมความว่ามิใช่เพื่อเพิ่มภูนตัญหาการมีสิ่งต่างๆไว้เพื่อสนองความต้องการของร่างกายนั้นไม่มากมายอะไรนักแต่การที่จะสนองตัญหานั้นจะต้องมีมากมายอย่างไม่อาจกำหนดเขตได้เกณฑ์ดังกล่าวนี้น่าจะนำมาใช้ได้ง่ายสำหรับทุกๆคนสมมติว่าของสิ่งนี้ ว่าถึงรายได้และกำลังที่จะใช้สอยก็อยู่เพียงพอแต่จะสมควรหรือไม่ก็ให้พิจารณาว่าจำเป็นจะต้องมีหรือไม่จะได้ประโยชน์ทางการใช้อย่างไรบ้าง mm. เมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วถึงจะเก่าและอาจไม่งดงามก็ยังใช้ได้ถึงจะได้มาอีกก็ไม่เกิดประโยชน์ mm. การใช้เพิ่มขึ้นเป็นแต่เพียงสาหรับปวด หรือเพื่อสนองความอยากเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็ตัดสินได้แล้วว่าไม่สมควรถ้ายิ่งไม่เหมาะสมแก่ภาวะฐานะอย่างอื่นอีกก็รู้ได้ง่ายเว้นแต่จะระ ง, งับความอยากได้ที่เป็นตันหาไม่ได้เท่านั้นฉะนั้นความฟุ่มเฟื่อยเกินไปมากไปต่างๆจึงอยู่ที่ความขาดสันโดษ ด, ดังกล่าว เป็นผลเสียหายนับจากส่วนตัวไปหาส่วนรวมและจากส่วนรวมไปหาส่วนตัวสําหรับผู้ที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนตัวเองต้องวิบัติยากจนขัดสนลงไปผลอันนี้ก็จะต้องกระเทือนไปถึงส่วนรวมไม่น้อยก็มากเรียกว่าเป็นผลเสียหายนับจากส่วนตัวไปหาส่วนรวมส่วนผู้ที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแม้ตนเองยังไม่วิบัติเพราะมีทรัพย์มาก แต่ก็เป็นเหตุให้ส่วนรวมยากจนลงผลแห่งความยากจนของส่วนรวมก็ย่อมกระเทือนถึงผู้ที่มั่งมีและใช้ความมั่งมีไปในทางที่ผิดนั้นได้เรียกว่าเป็นผลเสียหายจากส่วนรวมไปหาส่วนตัวแต่ถ้ามีสันโดษ ด, ดังกล่าวจะไม่เกิดผลเสียหายเช่นนั้นเพราะจะมีการใช้ความคิดในทางที่ถูกจะมีการแสวงหา การรับการบริโภคในทางที่ถูกตามหลักของสันโดษสามคือยะถาลาภสันโดษยะถาภละสันโดษยะถาสารูปสันโดษจะเป็นการประหยัดหรือสมะชีวิตตาการใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตตามสมควร